เถิอบรมพระในวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยแปดณวัดป่าบ้านตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนขอบครณษาแล้วเป็นปะเปนีของท่านนักปฏิบัติ ที่จกักทมความสนใจต่อสถานที่ที่เลือกสงัดในครั้งพุทธกาลก็เป็นมาอย่างนั้นตลอดถึงสมัยปัจจุบันมาได้ถือการเลือกสงัดเพื่อการบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกนี้ เป็นการจิบขวางทางนำเนินของศาสนาเนียเป็นการข่วงความเจริญของโลกแต่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมรศาสนาภายในตัวเองและส่งเสริมรศาสนาขึ้นเป็นส่วนรวมตลอดถึงโลกที่อาศัยธรรมะคือหลักของศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรือง ไปด้วยเกี่ยวกับพระผู้เป็นหลักของศาสนาอันผู้ถือพระพุทธศาสนาอันใกล้ชิดสนิทกับธรรมวิ น, นัยยิ่งกว่าโลกโลกก็ได้ถือเป็นคติตัวอย่างและให้ความร่วมเย็ยนแก่โลกได้เท่าที่ควรแจกกาลังความสามารถท่องต่อทนั้นการเสาะแสวงหาที่บําเพ็ญเพียร เ, เพื่อความสะดวก แสจิตใจของเราเองเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับหน้าปวดผู้มุ่งหน้าปฏิบัติและมีหน้าที่อันเดียวคือการบําเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจมีพุทธประเพณีเป็นมาอย่างนี้ชาวกขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากทีรากฏ เป็นสาวกอรหันขึ้นมาและเป็นเสนาของพวกเราทั้งหลายได้กราบวหวอยู่ทุกวันนี้ท่านเป็นมาดังที่กล่าวมานันี้มีดีมีความพุ่งเพ้อเหว่เหินแต่ตามสิ่งย่วยวนต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งภายนอกและภายในและมีอยู่ตลอดกาลแต่เป็นผู้มุ่งตัวความดัด แปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้อง ต, ตามหลักของพระธรรมวินัยที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่มีเข็มทิศที่จะเดินเอียงไปอย่างอื่นนอกจากหลักธรรมวินัยของพระองค์ทา่านนมีเป็นเข็มทิศที่ชาวกทั้งหลายได้ดําเนินมาและเป็นผลสําเร็จ โดยสมบูรณ์ในใจของท่านโดวเมื่อได้ระบายออกจากใจทีเดียวรับการบำเพ็ญโดยถูกต้องจนปราบเจตากฏเป็นจิตที่โดยสุดสมบูรณ์แล้วกระจายออกไปทิศใดทางไหนยอมเป็นความร่มเย็นแก่โลก ผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะของท่านมีบรรดาเราทั้งหลายก็ในนามว่าเป็นนักบวชคือเป็นผู้เว้นจากความเป็นกระดือหัดมาแล้วโดยทางเทศและเว้นจากความประพฤติซึ่งจะเป็นค่าสิบต่อเทศของพระ มีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำอย่างยิ่งจึงควรสนใจอย่างยิ่งในตัวของเราการออกแสวงหามเีเยกสงัดนั้นเป็นความชอบธรรมแต่การจัดไปอย่างแบบโลกๆจะอยู่ก็ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าแต่การไปแม้การไปก็ไม่เป็นธรรมไม่มีสินใดจะดีขึ้นเพราะการอยู่และการไปของผู้ไม่สนใจในอรธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ขาดทุนจะไปที่ใดก็ไม่ปรากฏเป็นผลประโยชน์มีแต่ความขาดทุนไปเป็นลำหนัก มีไม่ใช่หลักของพระผู้อยู่และไปด้วยความสนใจให้ถูกต้องตามเพศของพระและนาทีของพระแต่กลับเป็นค้าสุกต่อเรื่องของพระทำพระของเราให้ด้อยลงทำพระศาสนาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเราให้ด้อยลงทําวงคณะให้ด้อยลงไป ต, ตามๆกัน ทุกสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพระของเราไม่ว่ากว้างหรือแคบจะเป็นเรื่องที่ด้อยลงตามๆกันเพราะเราซึ่งเป็นตัวเหตุทาให้ด้อยลงในตัวของเราเองผู้ปฏิบัติจึงควรทํานึงถึงเรื่องของตัวเสมอทั้งการดูทั้งการไปดูก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนมีการสอดส่องมองดู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 อยู่ด้วยเหตุด้วยผลคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจริงมือออกไปก็เป็นผู้สอะแสลงหาเรื่องเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องกับตนตนนี้เป็นหลักประกันที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งทั่วทั่วไปในเวลาก้าวไปก็ดีอยู่ก็ดีไปที่ใดก็ดีอยู่ที่ใดก็ดีเรื่องของเราจะเป็นเรื่องประกันตัว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 สงบร่มเย็นแจ่เราเป็นขั้นขันเราผู้มาศึกษาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินตนของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าอย่าให้เคลื่อนคั้เมื่อการดาเนินก็เป็นการรับรองคือปฏิปทาก็รับรองว่าถูกต้องผลจะเป็นความถูกต้องขึ้นมาเป็นขั้นขันนับตั้งแต่ขั้นตน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 ตามหลักธรรมของพระพุธทธเจา้านี่หลักปฏิปทาของผู้จะดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเจริญภายในจิตใจจริงๆต้องเป็นผู้สนใจต่อข้อปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวมานี้ทุกๆท่านที่มาศึกษามาอยู่เป็นเวลาหลายปีก็มี เทิ่งมาก็มีทางท่านก็เป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทรรมที่จะแก้ไขตนเองธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจากท่านหรือจากหมู่คณะโปรดให้ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญออกมาจากความเมตสุท้าทายของพระพุทธเจ้า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 และอย่าเห็นว่าสิ่งที่ตนดำเนินมาด้วยความถูกต้องแล้วจะมีกำลังเจริญขึ้นไปเป็นลำดับลำดับโดยตนเองไม่ส่งเสริมเป็นเป็นลำดับไปแต่จะเจริญเพราะการส่งเสริมขึ้นด้วยความภาคเพียรและถือว่าเป็นจิตสำคัญเช่นเดียวกันกับการถอดถอนสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนเองจิตทั้งสองประเภทคือการถอดถอน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 ในขณะเดียวกันสิ่งได้ที่เป็นค่าศึกษอตนเองตรวเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะควรละเช่นเดียวกันย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สุดพิสยัยเพราสิ่งที่เป็นภัยก็ดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีจะเป็นขึ้นจากเราคนเดียว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 นี่คือว่าเป็นผู้ไม่ลุนตนผู้ได้มีความสนใจและหนักแน่นต่อการมองดูเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในตั้งใจของตนแล้วออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นให้กลายเป็นความมัวหมองหรือเป็นภัยขึ้นมาแก่ตนผู้มีสติระมัด ร, ระวังเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีความสื่ อ, อมถอยลงไปและจะเป็นผู้สามารถลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกไปได้ ในปัจจุบันนีาชาตินี้เพราะอำนาจแห่งความเพียร เ, เป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอไม่ลดละการแนะนำสั่งสอนบรรณาท่านปุ ม, มาศึกษานี่ก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังลงด้วยเจตนาวัางดีแต่บรรดาท่านทุกฟังโดยไม่มีการปิดบังรี้ับ ผู้มีความสนใจจะนาธรรมะที่แสดงนี้ไปปฏิบัติก็โปรดได้ทำความสนใจแก่ตนเองยาให้ตัวของตัวนั้นกลายเป็นคนล้าสมัยไปโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่อย่าถือว่าตนเป็นคนทันสมัยในยสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ตนซึ่งจะทำตนทั้งตนให้ล่มจมลงเพราะความสำคัญมากตนทันสมัยนั้น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 ว่าจะมีคุณค่ามากยิ่ ง, งกว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพระพทุทธเจ้าด้วยความท่าเพียนของตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจดวงนี้และยิ่งกว่าความประพฤติดีของเราเพื่อสั่งเสริมจิตส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความเจริญไปตามหลักธรรมนี้ในซึ่งสมกับเราเป็นสากยาบุตร จะไปที่ไหนขอให้มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องแนบสนิทอยู่กับภายวาตาใจจะเป็นที่ร่มเย็นภายในใจตนด้วยจะเป็นที่ยินดีแก่ผู้มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าของดีแล้วปรากฏแก่ท่านผู้ใดหรือท่านผู้ใดมาเกี่ยวข้องจะต้องทราบเสมอว่านั่นคือของดี ถ้าตนกระพฤติปฏิบัติดีแล้วใครจะมานินทาว่ากล่าวให้ล่มละลายไปก็ไม่สามารถจะทําความดีนั้นให้ล่มละลายไปได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่ดีแม้จะมีใครๆหรือตัวของเราเองส่งเสริมยกย่องตนเองมากเป็นผู้ดีก็ไม่ดีอยู่นั่นเองเพราะทิ้งเหล่านี้ไม่ได้สําเร็จขึ้นจากการส่งเสริมยกย่องเอาเฉย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 เป็นทักทักไปนี่ก็ชี่วะเป็นการส่งเสริมโดยถูกต้องเพราะส่งเสริมผลที่ปรากฏขึ้นด้วยข้อปฏิบัติชอบท้องตัแต่อย่าไปเสียขันตันยอเอาเฉยเฉยโดยหลักข้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามจะเป็นโมคาบุรุษในเพศแห่งพระของหเรกอย่าให้ปลอมพระนี้เป็นพระของพระพโทธเจ้าบวชตามหลักธรรมของพระพโทธเจ้าไม่ใช่บวช ตามป่าตามรกไม่ได้บวชตามศักสาวาสิง์ที่ไหนแต่บวชมีอุปชาอาจารย์บวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าฉะนั้นเมื่อปรากฏเป็นองค์ของพระขึ้นมาก็เป็นพระที่สมบูรณ์ตามสมมติเมื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นมาตามหลักธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วอย่าทำพระที่สมบูรณ์นี้ให้กลายเป็นพระที่ปลอมไปด้วยข้อปฏิบัติ กลอมไปด้วยความรู้ความเห็นปลอมไปด้วยจิริยามารยะปลอมไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพอกพูน ห, หัวใจพระจะปลอมไปโดยวิถีนี้โปรดพากันนอมัตระวังนักษาอย่าให้สิ่งจอมปลอมเหล่านี้มาพอกพูนเพศของพระและ ห, หัวใจของพระให้กลายเป็นของจอมปลอมไปหมดทั้งเพศและจิตใจจะหาทางออกไม่ได้บวชก็บวชเฉย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 ปรับปรุงพระของตนให้เป็นพระในหลักธรรมชาติขึ้นมาจากพระที่สมบูรณ์แล้วโดยขราบัญญัตินี้ขึ้นไปเป็นขั้นๆเริ่มแต่ความสงบใจคือมีความสงบเยือเกเย็นใจด้วยข้อปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนจะอุบายวิธีภาวนาวิธีใดก็าตามซึ่งเป็นอุบาย บังคับหรือดัดแปลงจิตใจของตนให้ก้าวเข้าสู่ความสงบนี่ก็จะเป็นพระขึ้นไปเป็นขั้นขนความสงบเราเรียนมาเสียจนชินสมาธิเราเรียนเสียจนชินจำได้เสียจนชินใจหลักแห่งความสงบจริงๆที่เราจะประสบะการนั้น มีอยู่ที่ตรงไหนนี่เป็นหลักสำคัญถ้าไม่มีอยู่ในหลักข้อปฏิบัติคือการอบรมจิตใจด้วยความเท่นแข็งไม่มีทางอื่นที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบเย็นใจในเพศของพระนี่เลยปัญญาท้านอนอยู่เฉยๆ เ, เป็นปัญญาแล้วสติรัานก็นอนได้จะกลายเป็นผู้ฉลาดทัดเทียมกันกับมนุษย์ทั่วๆไปไม่ว่าแต่เราซึ่งเป็นพระแล้วจะเป็นผู้ฉลาดโดยวิธีนอน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 แห่งไตรลักษณ์ใดไตรลักษณ์หนึ่งจะหนีจากปัญญานี้ไปไม่ได้เรื่องอนิจจังก็จะเห็นขึ้นที่กายของเราเห็นขึ้นที่อาการของใจเราเรื่องทุกขังก็นั่งทับนอนทับอันอยู่ตลอดเวลาจะสงสัยไปที่ไหนเมื่ออย่างปัญญาลงไปสู่ที่นี่แล้วจะเหน inside, ็น cool. ท, ท, กท birthday, ุกขังประจับกับใจโดยไม่ต้องจําเอาแต่ชื่อว่าทุกขังโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนิจจังโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนัตตา แต่จะเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำปัญญาของเราที่ทําความสนใจใส่ตรองดูกับหลักธรรมชาติที่เป็นไตรลักุแล้วนั้นเป็นขั้นๆไปชื่อของสมาธิที่เราได้ยินนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นจากหลักแห่งการพิจารณนานโดยทางไตรลักษณ์นี้เป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ดวงใจของหนักความฉลาดรอบพอก ก็จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้พิจารณาโดยถือไตรลักษณ์เป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าปัญญาทุกขันจะเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์ที่เป็นหินรับโดยสม่ำเสมอสมาธิคือความสงบใจจะมีความแน่นหนามั่นคงไปเป็นขั้นขันเมื่อปัญญาในพิจารณาค้นคว้ามากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะถอดถอนจริงที่ กดท่วงจิตใจให้เด็กมีการกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดับสมาธิกับปัญญาก็กลมกล่อมกันไปในจิตดวงเดียวนั้นพูดถึงเรื่องสมาธิก็จะประจักษ์กับใจคือตัวแห่งความสงบนั่นเองพูดถึงเรื่องปัญญาก็จะมากระเทือนถึงใจ ผู้มีปัญญารอบด้านอยู่กับตัวเองซึ่งใครควรอยู่เสมอเรื่องวิมุติทนิพานจะไปหาที่ไหนถ้าสติปัญญากับความเพียรได้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกับกายกับใจของตนที่รวมแล้วเรียกว่ากองขันอันนี้คำว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญานั้นโตรวจยาได้คาดไปว่าจะมีห้างร้านต่างๆ เป็นที่ฉถิตยอยู่ของศีลของสมาธิของปัญญาของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆุประเภทแต่โปรดทราบว่ากายกับใจนี้แหละเป็นภาชนะสำรับรับรองศีลสมาธิปัญญากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทมีอยู่ที่นี้หมดเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนาตาก็มีอยู่ที่นี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องจะรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะขอดถอนจิตใจให้พ้นจากภามะ คือความเป็นอยู่นบะบัดนี้ไปเป็นขั้นๆก็จะปรากฏกันที่นี่เมื่อปัญญามีความเฉลียวฉล า, าดเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ทุกๆเวลาแล้วจิตแม้จะเคยนอนจมอยู่กับเกเลสอันหาอาสวะมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่ต้องถามหาทางหลุดพ้นเช่นเดียวกับนักโทษที่ติดประรงที่ติดคุกจึง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 โทษยาด้ตตยขาดไม้ข้างนอกซึ่งคิดจากข้าประสงค์ของพระโพธิเจ้าที่แสดงไว้ว่าสัจจะทำมีอยู่กับกายกับใจของเราสติปัฏฐานสีก็มีอยู่กับกายกับใจของเรามีอยู่ที่นี่พูดเรื่องไตรลักษณ์อเนจังทุกขังต า, ามีอยู่ที่นี่หมดไม่ปรากฏว่ามีที่อื่นเป็นดนเกิดและเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมเหล่านี้เลยซึ่งควรจะ และเมอเพ้อฝันหาไปต่างๆนาน า, นาซึ่งเป็นการปรัคคุกเงาไปเฉยไม่เป็นประโยชน์แจโมคามมดุผู้เสียจากหลักทำทีทพ่พระองค์ตรัสสอนไว้ทุกเป็นของใหม่หรือเป็นของเก่าโปรพิจณาให้ดีสมุทัยนิโรธนนักเป็นของใหม่หรือของเก่า ทมทั้งสี่ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นของลาสมัยหรือเป็นปัจจุบันนาการผู้ปฏิบัติควรจะสนใจในธรรมเหล่านี้ให้รู้ชัดประจักษ์กับตัวเองเพราะธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราทุกทุกท่านไม่ควรจะสงสัยไปที่ไหนทุกจะเป็นมา จ, จากอดีตก็ตามก็ต้องแสดงหลักให้ปรากฏเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ต่าง ทางกายทางใจก็เห็นประจักษ์อยูนี้สมูทายจะแสดงตัวให้ไปเกิดเป็นพบเป็นชาติในสถานที่ใดก็ต้องเป็นเชื้อที่แสดงออกจากภายในใจซึ่งเห็นประจักษ์หรือมีอยู่ในตัวในใจของเราณบัดนี้มักคือข้อปฏิบัติที่ดัดแปลงแก้ไขเพื่อถอดถอนลื้อซื้นสมูทายออกมาจากใจให้สิ้นซากไปก็มีอยู่กับกายกับใจของเราทุกทุกท่าน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 ถ้าเป็นอนาคตก็ไม่ปรากฏเพราะอยู่ข้างหน้าแต่ น, นี้เป็นปัจจุบันจึงปรากฏรู้เห็นอยู่กับเราทุกทุกท่านและทุกๆุกขณะด้วยทุกกรณีสมุทัยก็ดีเป็นของที่ปรากฏอยู่สติกับปัญญาเมื่อลื้ฟื้นขึ้นมาจากดวงใจอันนี้ก็ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันแล้วนิโรธคือความดับทุกจะไปมีอยู่การหน้าการหลังที่ไหนถ้าไม่เกิดในฉา ก, กเดียวกันความมริสุดเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ ดุจลอยออกไปเพราะอำนาจแทงข้อปฏิบัติแล้วเราจะไปหากันที่ไหนทำไมหาทาไมรู้กันที่ตุดแทงทุกหรือสมูทัยดับไปนี่ทรรมที่กลามาทั้งหมดนี้เป็นปัจจุบันธรรมมีอยู่กับเราทุกท่านผู้สนใจปฏิบัติควรจะมองลงไปที่นี่ อย่าไปตึงเต้นกับเมื่อวันกีเดือนสถานที่ที่โน้นที่นี่นั่นเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะสะแสวงเพื่อเป็นชัยสมรภูมิอันเหมาะสมสำหรับผู้จะดำเนินเพื่อการตอดถอนหรือประหารทหารสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจนี้ให้หมดไปหรือสิ้นซากลงไปเป็นน้ำหนักจะทำความสนใจต่อที่เช่นนั้นเช่นนั้นแต่ไม่ควรมองข้ามไปจนกลายเป็นเรื่องอนาคตหรือความน้าเหลว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 เห็นเหตุผลที่ปรากฏอยู่กับใจบวงนี้นี่แลเป็นภาชนะสหนับรับไว้ทั้งดีทั้งชั่วทุก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยมีอยู่ที่นี่นิโรธหรือมรรคก็มีอยู่ที่นี่คือนิโรธและมรรคก็มีอยู่ที่นี่ความสิ้นสุดแห่งทุกโดยประการทั้งบวงก็มีอยู่ที่นี่เราซึ่งในนามัพเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติแล้ว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 ซึ่งเป็นสิ่งเกี่ยวข้องที่เราจะต้องอาศัยตามการเวลาเราให้แยกไว้เป็นภาคหนึ่งแต่เรื่องของใจให้มีความพอดีอยู่เสมอกับสิ่งเหล่านั้นอย่าให้เกิดความพุ่งเพ้อเผลอเผลมจนถึงกับติดไปเป็นความเห็นผิดไปตามสิ่งเหล่านั้นคือเป็นความกังวล ใจก็กลายเป็นโลกไปเสียในเทศแห่งพระนี่จะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นสำหรับพระผู้หมดความพอดีประจำตนเลยโปรดทราบไว้ทุกท่านการไปเที่ยวหาที่สงัดวิเวศหรือไปส่อแสวงหาที่สงัดวิเวศ อย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาฉุดลากไปเป็นหัวหน้าไปจะไม่สมหวังในที่เช่นนั้นแต่จะทำความเลี้ยงเหลือจะตนเองจงนำหลักธรรมของพระโพธเจ้าเป็นเข็มทิศทางเดินสถานที่ใดเป็นที่สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้พอมีกับตนเอง ทุกทิ้งทุกอย่างจะขาดตกบกค่องไปบ้างก็าตามขอให้การบำเพ็ญเพียรนั้นเป็นไปไ ด, ด้วยความสะดวกสบายที่เชนั้นจัดว่าเป็นที่อัเหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อความบุคพลการผิดเราให้เป็นพระอันแท้จริงนี้เป็นการผิดยากเราปรับปรุงสิ่งอื่น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 มองในแง่ทางโลกมากจะเป็นทำลองนั้นแต่ถ้ามองเพื่อความพ้นทุกข์แล้วจะเป็นสิ่งที่กลมกล่อมกับนิสัยได้ดีสำหรับเพศของพระผู้มุ่งต่อธรรมเช่นนั้นดูที่ไหนก็สะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งเหยิงทั้งนั้นโปรดทาความเข้าใจไว้ด้วยดีการไปการอยู่การประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจะต้องบําเพ็ญจะต้องไปต้องมาพอสําคัญอย่ามองข้ามตัวเองอย่าไปด้วยความฟุ่งเพ้อเห่เหิมอย่าไปด้วยมีเข็มทิศไปในทางอื่นซึ่งนอกจากหลักธรรมของพระโพธิจักแต่จงเป็นผู้ไปด้วยเข็มทิศคือธรรมะจะเป็นผู้มีธรรมครองจิตใจ ให้ได้นับความเ่มเย็นเป็นสุขไปตลอดกาลจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนให้ผ่านพ้นไปได้จริงๆสมกับว่าเราสแสวงหาธรรมะคือความบริสุทธิ์ภายในใจจริงๆนี่การผิดพระให้เป็นพระผิดโดยวิธีนี้อย่านําวิธีอื่นมาผิดพระจะกลายเป็นโลกขึ้นในความเป็นพระจะกลายเป็นโลกขึ้นในเพศของพระ ในใจของพระโดยเจ้าตัวไม่รู้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ได้แสดบแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตนเองสิ่งใดที่เห็นว่ายังบกพร่องโปรดทำความสนใจในจุดที่บกพร่องนั้นเพื่อแก้ไขาให้สมบูรณ์ขึ้นไป ถึงได้ที่เห็นว่าถูกต้องแล้วตรงทําความสนใจพยายามส่งเสริมให้มีกาลังมากขึ้นย่ายลอยให้สิ่งที่ภาพกฏเป็นความเจริญขึ้นแล้วและสริมไปเมื่อได้ทําความสนใจในทั้งสองประเภทคือการแจกขายและการส่งเสริมนี่โดยสมบูรณ์แหละเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นภายใน จ, ใจิตใจโดยไม่ต้องสงสัย เพื่อขอยุตธรรมเทศนาเพียงท่านี้